ชาวบ้านดำเนินมรรคาด้วยการศึกษาบุญก่อนหน้านี้ได้บอกแล้วว่าในคำสอนธรรมะเพื่อให้เหมาะสำหรับเข้ารืหัดคือชาวบ้านแทนที่ท่านจะนำระบบของมรรคมาจัดขั้นตอนในรูปของตรายสิกขาเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ท่านจัดใหม่เหมือนดังจะให้เป็นตรายสิกขาฉบับที่ง่ายลงมา รี ว, วางรูปขั้นตอนใหม่เป็นหลักทั่วไปที่เรียกว่าบุญกิริยาหรือบุญกิริยาวัตถุซึ่งมีจำนวนสาข้อหรือสามขั้นเท่ากับรายสิกขานั่นเองแต่มีชื่อหัวข้อต่างออกไปเป็นทานศีลภาวนาถึงตอนนี้เมื่อยกรายสิกขาขึ้นมาย้ำในแง่การศึกษาแล้ว ก็ควรให้เข้าใจบุญกิริยาในความหมายของการศึกษาด้วยและแท้จริงนั้นสาระหรือเนื้อแท้ทั้งหมดของบุญกิริยาหรือการทำบุญนั้นก็คือการศึกษานั่นเองขอให้ดูพุทธพจน์ที่แสดงหลักบุญกิริยาวัตถุสามดังนี้ภิสษุทั้งหลายบุญกิริยาวัตถุสามประการนี้ คือทานไามบุญกิริยาวัตถุหนึ่งศีลไม่บุญกิริยาวัตถุหนึ่งภาวนาไม่บุญกิริยาวัตถุหนึ่ ง, งผู้ใฝ่อัตถานั้นพึงศึกษาบุญนั้นทีเดียวอันมีผลกว้างไกลมีความสุขเป็นกำไรคือพึงเจริญทานหนึ่งสมะจริยานึงคือความประพฤติเข้ากับธรรมะหรือสมตามธรรมะหนึ่ง เมตตาจิตหนึ่งบัณฑิตเจริญธรรมสามประการอันก่อให้เกิดความสุขเหล่านี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไร้าการเบียดเบียนจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักบุญกิริยาวัตถุว่ามีสามอย่างคืออะไรบ้างแล้วก็ตรัสคาถาสรุปทรงบอกให้รู้กันว่าจะทำอะไรกับบุญกิริยาวัตถุนั้นคือตรัสว่า พึงศึกษาบุญนั่นทีเดียวขอย้ำพระดำรัสเป็นคำบาลีว่าบุญญาเมวะโสสิเคยะท่านนำคำทั้งสองมาสมาดคือรวมเข้าด้วยกันก็เป็นบุญสิกขานั่นเองที่ว่าศึกษาก็คือฝึกทำให้เป็นให้มีขึ้นฝึกหัดอบรมพัฒนาให้เจริญเพิ่มพูนถนัดชำนาญยิ่งขึ้นไป ก็คือก้าวหน้างอกงามขึ้นไปนิมมัติอย่างคล้อยตามตรายศิขานั่นเองและเมื่อถือตรายศิขาเป็นหลักก็เทียบกันได้ดังนี้ในที่นี้ท่านทําเป็นแผนผังไว้นะครับท่านผู้สนใจดูแผนผังได้จากหน้า587ขออ่านคร่าวๆดังนี้จากแผนผังด้านบนทั้งหมดมีศีลไปสู่สมาธิไปสู่ปัญญา และไปสู่วิมุตติใต้คำว่าศีลประกอบด้วยคำว่าทานและศีลใต้คำว่าสมาธิและปัญญาคือคำว่าภาวนาและใต้คำว่าภาวนาสายหนึ่งจิตตะภาวนาเมตตาภาวนาอีกสายหนึ่งคือปัญญาภาวนา ในที่นี้ก็คือท่านแบ่งให้เห็นว่าหมวดของพระคืคอศีลสมาธิปัญญาแต่หมวดของคาราวาสคือทานและศีลซึ่งอยู่ในหมวดของศีลและภาวนาซึ่งอยู่รวมระหว่างหมวดสมาธิและปัญญาขอย้าความอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วว่าหลักศึกษาบุญสำหรับชาวบ้านนี้เน้นชีวิตด้านนอกและการประพฤติปฏิบัติพื้นฐานขั้นต้น ตรงข้ามกับฝ่ายบรรพชิตคือพระสงฆ์ที่เน้นด้านในและขั้นสูงขึ้นไปจะเห็นได้ชัดว่าหลักปฏิบัติขั้นต้นของตรายศิขารวงคลุมไว้ด้วยศีลคำเดียวแต่บุญกิริยาของชาวบ้านซึ่งเน้นด้านนอกให้น้ำหนักแก่เรื่องการจัดการกับวัตถุและการอยู่ร่วมสังคมจึงแยกขั้นต้นออกเป็นสองข้อโดยเอาเรื่องการจัดการวัตถุคือทาน มาหนุนมานำศีลขณะที่ของพระมีศีลแต่ของชาวบ้านมีทานและศีลแต่ทางด้านในที่เป็นระดับลึกสูงขึ้นไปรายสิขาของพระแบ่งชัดเป็นสองคือสมาธิและปัญญาแต่บุญกิริยาของชาวบ้านพูดรวมคลุมด้วยภาวนาคำเดียวและตามพุทธพจน์ให้มุ่งที่เมตตาภาวนา คือเจริญเมตตาพูดอีกแบบหนึ่งว่าชีวิตพระนั้นไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับวัตถุทานจึงมีบทบาทน้อยดังนั้นในตรายสิกขาจึงเอาทานไปผนวกหรือแอบไว้กับศีลจะดูการจัดสรรวัตถุของพระก็ไปมองในวินัยแต่ชีวิตของพระนั้นมุ่งอุทิศแก่ด้านใน จิตใจและปัญญาายศิขาจึงจัดแยกการศึกษาพัฒนาด้านในนั้นออกเป็นสองอย่างให้เด่นชัดขึ้นมาเป็นสมาธิกับปัญญาหรืออธิจิตและอธิปัญญาส่วนชีวิตของชาวบ้านอยู่กับวัตถุโดยตรงเต็มที่และการสแสวงหาจัดการวัตถุนั้นก็ดำเนินไปท่ามกลางเพื่อนมนุษย์ร่วมสังคมถ้าประพฤติปฏิบัติจัดการไม่ดี ทั้งวัตถุ ก, ก็เสียหายคนและสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวายจึงต้องยกทานและศีลขึ้นมาให้สำคัญโดดเด่นเป็นบุญกิริยาสองอย่างก่อนส่วนการพัฒนาด้านในถึงแม้สำคัญก็ต้องจัดให้พอเหมาะแก่กำลังเวลาเป็นต้นที่เขาจะปฏิบัติได้โดยเอาทั้งเรื่องจิตใจและปัญญามารวมเป็นข้อเดียวกันคือทั้งจิตตภาวนาพัฒนาจิตใจ และปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญามารวมไว้เป็นภาวนาข้อเดียวและเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นลักษณะชีวิตของชาวบ้านแม้แต่ภาวนานั้นก็จึงเน้นที่การเจริญเมตตาคือเมตตาภาวนาคำที่พูดกันสามัญว่าทำบุญ ถ้าจะพูดให้ตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ก็ต้องว่าศึกษาบุญคือให้ทาอย่างเป็นการฝึกฝนพัฒนาหมายความว่าบุญนี้เป็นคุณสมบัติคือความดีงามความสามารถทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างรวมทั้งทางปัญญาเราต้องทำให้เพิ่มขึ้นและประณีตขึ้นเรื่อยๆให้เป็นการฝึกกาย ฝึกวาจาฝึกจิตใจและฝึกปัญญาชีวิตของเราก็ประณีตงอกงามขึ้นเรื่อยๆเป็นการพัฒนาชีวิตหรือพัฒนาตนเองดังที่กล่าวแล้วมีบุญกิริยาวัตถุสมอย่างคือหนึ่งทานการให้เพื่อแผ่แบ่งปัน 2. สศีล การประพฤติสุจริตมีความสัมพันธ์ที่ดีเกื้อกูลไม่เบียดเบียนกัน 3. ภาวนาฝึกอบรมพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาในอดีตที่ยาวนานท่านยอมเดยสอนได้อธิบายหลักธรรมเหล่านี้กันเรื่อยมาปรากฏว่าถึงยุคอัทธกถาได้มีบุญกิริยาวัตถุเพิ่มขึ้นอีกเจ็ดข้อ ซึ่งที่จริงก็ต้องถือว่าเป็นการขยายความและเพิ่มตัวอย่างของบุญกิริยาวัตถุแต่ละข้อออกไปดังที่อัธกถาก็จัดไว้ซึ่งขอประมวลความมาดูเป็นแนวทางเสริมความเข้าใจดังนี้ 1. ทานในข้อนี้รวมทั้งปฏิทานามัยคือการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมบุญด้วยการทำความดีด้วยกัน และปัตทานุโมทนาใหม่คือการอนุโมทนาส่วนบุญโดยพลอยชื่นชมหรือแสดงความยินดียอมรับเห็นชอบในการทำบุญทําความดีของผู้อื่น 2. สศีลในข้อนี้รวมทั้งอปจญญาณใหม่คือการมีความอ่อนโยนสุภาพอ่อนน้อมให้เกียรติกัน เคารพยกย่องท่านผู้มีความเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงด้วยคุณธรรมความดีเป็นต้นรวมมาถึงการมีกิริยามารยาทงดงามตามวัฒนธรรมประเพณีและวัยยาวัจจัยคือการช่วยเหลือรับใช้บริการขวนขวายในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 3. ภาวนาในข้อนี้ รวมทั้งธรรมะสวนาใม่คือการฟังธรรมรวมทั้งสดับอ่านข่าวสารข้อมูลคำแนะนำเรื่องราวที่ดีงามเป็นประโยชน์และธรรมเทศนาใหม่คือการแสดงธรรมให้คำสอนคำแนะนำความรู้แก่ผู้อื่นข้อพิเศษทิฏฐุชุ ก, กรรมคือการทำความเห็นให้ตรงซึ่งตรงทํรร่วมกากับการทำบุญข้ออื่นทุกข้อ ให้เป็นการกระทาด้วยความรู้เข้าใจตั้งใจมุ่งหมายถูกต้องเท่ากับได้ตรวจสอบทุกกิจกรรมเป็นประกันให้ได้ผลดีและมีการพัฒนาโดยในย่านี้จึงเกิดเป็นชุดขยายที่เรียกกันว่าบุญกิริยาวัตถุสิบคือหนึ่งทานนามัยทำบุญด้วยการให้ สศีลละไม่ทำบุญด้วยการรักษาศีลประพฤติดีงาม 3. ภาวนาไม่ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา 4. อภิจายณะไม่ทำบุญด้วยการประพฤติอ่อนน้อม 5. วายาวัจจะไม่ทำบุญด้วยการขวนขวายรับใช้ 6. กปฏิทานะไม่ ทำบุญด้วยการให้ส่วนความดีแก่ผู้อื่น 7. ปัตตานุโมทนามัยทำบุญด้วยการยินดีการทำดีของผู้อื่น 8. ธรรมมสวนาใหม่ทำบุญด้วยการฟังธรรม 9. ธรรมเทศนาใหม่ทำบุญด้วยการสอนแสดงธรรม 10. ทิฏฐุชุ ก, กรรม ทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรง